วันอีกครั้งหนึ่งว่าที่สอบกันไปเนี่ยเข้าใจไหมเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกของเรื่องการศึกษาเรื่อง <c oughs> ของความรู้สึกตัวลว้ลวนความรู้สึกรู้สึกใจที่นี้มันก็จำเป็นมีตัวอย่างตอนที่สอบหลวงพ่อบอกให้อ่าบางคนให้กาแขนตัวเองบ้างคนให้กาหมัดเวลากำเข้าในรู้สึกไง บอกว่หนักใช่ไหมเวลาปล่อยรู้สิกเบาบางคนยังบอกไม่ถูกเลยนะถามว่าคนรู้สึกหนักกับความรู้สึกสเบาเนี่ยอันไหนมีอยู่ก่อนอันไหนเพิ่งมันเพิ่งเกิดขึ้นหลายคนก็งงความเบามีอยู่ก่อนหรือว่าความหนักมีอยู่ก่อนในในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยขณะนี้รู้สึกหนักอะไรไหมหนักตะโพกที่นั่ง ตอบตรงๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไป น, นึกคิดอะไรให้มันซับซ้อนหนักตรงไหนหนักแถวพวกที่นั่งลงแล้วลุกขึ้นเวไง <Wow. S 1> ก็เบาเนะี่ยอันนี้ในในสนให้มองเห็นความรู้สึกทางกายให้เป็นเยอะก่อนแล้ว ร, ระหว่างอาการหนักอาการเบาในชีวิตเนี่ยอันไหนมีอยู่ก่อนอันไหนเพิ่งเกิดระหว่างหนักกับเบาเนี่ยความเบามีอยู่ก่อนใช่ไหมความเบามีอยู่ก่อนมันว่างจากการหนัก หนักมันเพิ่งเกิดขึ้นตอนไหนตอนเราไปทํามันขึ้นมาอเวลาเรานั่งเนี่ยก็ไม่ถือว่าหนักเท่าไหร่แต่ว่ากํามือเนี่ยถามว่าอาการหนักมาจากไหนมาจากกายหรือมาจากใจถามว่าตอนเมื่อกี้ไอ้ความหนักไม่มีใช่ไหมพอกังขึ้นมันหนักเกิดขึ้นถามว่าอาการหนักที่มือเนี่ยมันมาจากกายหรือมาจากใจบางคนบอกว่ามาจากสมองสั่งว่างั้น <laughs> ไฟไกลเลยเนะี่ยมันจะสมองสั่งสมองหนักไหมมึงก็ไม่ได้หนักนะมนะั้เอาอีกทีเอาทดสอบอะกำสิบหนักใช่ไหมถามว่าอาการหนักที่มือเนี่ยมาจากกายหรือมาจากใจมาจากลูกหรือมาจากนามเวลาคนเวลาคนยังไม่ตายเนี่ยก็คนตายเนี่ยคนไหนหนักคนไหนเบ า, า <laughs> ห้ามสี่ไม่เคยขึ้นเลยนะออ แต่คนตายนี่แค่จูงแขนทีเดียวก็ไปอคนเป็นนะนะจูงแขนทีเดียวก็ไป เ, าเบาอย่าได้เพราะอะไรจิตของเราเนี่ยถ้ามันหนักเป็นจิตที่ตายแล้วแต่ถ้ามันเบาเป็นจิตที่เป็นเพราะฉะนั้นความเป็นของมีชีวิตเนี่ยมันมีอยู่แล้วทุกคนแต่เมื่อใดถ้าเราลืมชีวิตเราเหมือนตายแล้วมันจะหนักหนักอกหนักใจคนตายเนี่ยหามสามหามสี่ไม่คยขึ้น เหมือนกันหนักมันเกิดขึ้นตอนไหนเบามันเกิดขึ้นตอนไหนถ้าหากว่าเป็นกายหนักตอนที่เราไปยกตอนที่เราไปรมตอนที่เราไปหยิบมันหนักใช่ไหมแต่ว่าทางด้านใจมันหนักตอนไหนถามหลายคนก็งงมีการหนักใจบ้างไหมเออมันหนักตอนไหนหนักตอนที่มันคิดอ่าพุทธเจ้าบอกพาลาหะเวปัญจขันธาความคิดเป็นของหนักเนอ เราจะบอกว่าขันทั้งห้าเป็นของหนักเนิ น, น, นฟังไม่รู้เรื่องต้องบอกว่าความคิดเป็นของหนักมันหนักตอนเราคิดพอเราคิดแต่ละครั้งเนะี่ยเหมือนเรากำมือแต่เราไม่รู้หรอกพอเราอยู่กับความคิดจนชินเหมือนดินพ่อหาหมูอ่ะหมูไม่รู้ว่าไอ้ดินที่พ่อหามันหนักหรอกพราอมันอยู่กับแข่งไปแกข่งมาจนชินพอเราเผลอปับ๊บจิตมันคิดครับมันก็จะเกิดกรรมกรรมอะไรอวิชาตัญหาอุปทานกรรม ถ้าไม่มีสีตัวเนี่ยมันจะความคิดมันจะเกิดไม่ได้ความคิดเกิดจากอะไรเกิดจากการเผ ล, like? ลอใช่ไหมเผลอแล้วก็คิดเผลอหมายถึงความรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวถ้าเผลอเนี่รู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวหมายถึงอวิชชาใช่ไหมไม่รู้สึกตัวพอวิชาเกิดปั๊บความอยากอยากคิดนั่นคิดนี่อยากไปนั่นไปนี่อยากพูนั่นพูนี่ ก็เกิดขึ้นความอยากนั่นแหะเป็นตัวเริ่มคิดและวิชาตันหาความอยากแล้วอุปทานเข้าไปทําตามสิ่งที่เราอยากแล้วก็เกิดเป็นกรรมขึ้นมาขึ้นหนักพาราฮาเวเปัญจคันธาขันห้าเป็นของหนักเนือ้อความคิดเป็นของหนักเนือ้อคนและแบกความคิดพาไปเห็นไหมการแบกความคิดเป็นทุกข์ในโลกพระอริยเจ้าสลัดความคิดออกเสียแล้ว และเมื่อหยิบเอาความคิดที่คิดแล้วมาคิดอีกนิชชาตวัวบริณีพุตโตท่านจึงถอนตันหาได้ไม่กระทั่งลากถ้าหากว่าถอนความคิดได้ก็ไม่ขอว่าถอนตันหาได้ทั้งลากเลยแต่ส่วนใหญ่เราอยู่กับความคิดแล้วถอนความคิดไม่เป็นเพราะฉะนั้นทางเดียวคือจะถอนความคิดเป็นคือทําไงมือเนี่ยจะกำมันหนักใช่ไหมแล้วจะทําให้มันเบาทําไงก็ปล่อยปล่อยมันก็เบาใช่ไหม เราเรียกว่าปล่อยวางนิชชาต <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยซะแต่ทุกวันเนี่ยเราคิดเราก็ไม่รู้เราเบาเราก็ไม่รู้เพราะตลอดเวลาเราไปอยู่กับความไม่รู้เรื่อง่างโมหะเป็นโมหะทั้งหมดเลยเบาก็มีอยู่ว่างก็มีอยู่วุ่นก็มีอยู่ในชีวิต จ, จริงของเราเนี่ยแต่เราไม่รู้ทั้งวุ่นทั้งว่างทั้งหนักทั้งเบาเพราะมันเข้าไปใน <c oughs> ความหลงทั้งหมด ในนั้นถ้าเราไม่มา น, นั่งปฏิบัติกันอย่างนี้เนี่ยเราสังเกตไม่ออกรอที่เราเดินไปเดินมาสร้างจางังหวะเพื่ออะไรเพื่อสังเกตให้ออกว่าได้เห็นอาการอะไรบ้างในตัวเองอาการหนักมีไหมอาการเบามีไหมอาการสบายมีไหมอาการไม่สบายมีไหมให้ดูสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่าเนี้ยระหว่างความคิดกับความไม่คิดเนี่ยในแต่ละในแต่ละชั่วโมงเนี่ยอันไหนมีมากที่พิจารณาดีกับคําถามคำนี้ระหว่างอาการที่คิดกับไม่คิดเนี่ย ในระหว่างแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงเนี่ยอันไหนมีมากกว่าความไม่คิดมีมากกว่าความคิดหรือความคิดมีมากกว่าความไม่คิดคนบอกความคิดมีมากกว่าไม่คิดอะไรนักหนานะความจริงมันไม่ได้คิดอะไรเนอะว่างๆใจก็มาอยู่กับมือวอยๆเนี่ยไม่ได้คิดอะไรหรอกไอ้ความไม่คิดอนี่ยมันมีมากกว่าแต่เราไม่รู้จักเราก็นึกว่ามันคิดตลอดเวลาแต่เราไม่รู้จักว่ามันไม่คิดไอ้ตัวไม่คิดเนี่ย หลวงพ่อเทีนบอกว่าถ้าหากว่าคนทั้งหลายถ้ามันไม่มีตัวนี้อยู่เป็นนิสัยนั้มันเป็นบ้าเป็นประสาทกันหมดท่านว่าไอ้ที่เราไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราไม่มีตัวไม่คิดเนี่ยอยู่ประจําเราเผลอเมื่อไหร่เราก็คิดเมื่อนั้นแต่ว่าความจริงถ้าเรามันเมื่อฝึกสติเนี่ยไม่ว่าคิดไม่คิดแล้วก็เผลอทั้งนั้นแหละเพราะเราไม่รู้เราไม่คิดเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยระหว่างความคิดกับความไม่คิดเราจะอยู่กับอันไหน อยู่กับความไม่คิดอ่ยมันเบาสบายกว่าใช่ไหมเพราะคิดแล้วมันหนักอ่ะแต่เราไม่รู้ว่ามันหนักเลยเลยคิดสนุกทั้งวันเลยในที่สุดพ็เกิดอะไรขึ้นเตรียมใจไม่ทันบอกโอ้หนักอกหนักใจโดนว่าโดนด่าโดนจมโดนบุญโดนข่มโดนขนาบโดนตำหนิหนักอกหนักใจเราไม่รู้ตอนนั้นแหละตอนที่มันหนักตอนที่เราโดนกระทบแรงๆนั่นแหละนั้ะนั้นภาวะที่มันไม่คิดเนี่ยมีอยู่เยอะเรียว่าภาวะที่ว่าง จิตมันว่างเนี่ยมัน ม, มีอยู่เป็นส่วนใหญ่แต่ถ้ า, าว่าเราไม่รู้จักถึงมีก็เหมือนไม่มีเพราะเราไม่รู้จักมันเทราะนั้นเวลาเรามาปฏิบัติเนี่เพื่อให้เกิดวิปัสนาเพื่อจะเห็นแจ้งว่าใจของเราขณะนี้เป็นอย่างไรคิดหรือไม่คิดมีราคะหรือไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะที่เราสวดไปวันก่อนใช่ไหม สาระขังว่าจิตตังสาระขังจิตตันติประชานาติจิตไม่มีจิตเปียราคะก็ให้รู้ว่าจิตคือจิตมีความชอบก็รู้ว่าจิตมีความชอบจิตมีความไม่ชอบความชอบไม่มีก็ให้รู้ว่าจิตขณะจิตความรู้สึกชอบก็ไม่มีขณะนี้เพราะนั้นในคะแนแต่ละขณะความรู้สึกชอบกับไม่ชอบเนี่ยอันไหนมีมากกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ถามผิดความรู้สึกชอบกับความรู้สึก่าไม่มีความ ไม่มีความรู้สึกว่าชอบคือมันว่างจากความชอบนะ่ะกับรู้สึกชอบกับจิตที่ว่างจากความชอบเนี่ยอันไหนมันมีมากกว่ า, วามันว่างจากความชอบมันใช่ชอบอะไรมากมายใช่ไหมก็มรู้สึกชอบนิดเดียวก็ทิ้งละจิตก็กลับมาว่างเหมือนเดิมแต่เราไม่รู้จักไอตอนที่มันว่างเนี่ยเ<ม>พราะใครไม่ทาอะไรไม่ถูกหะถูกหูถูกตาถูกใจก็ไม่ชอบนิดนึงเพราะคาก็ทิ้งละ จิตก็กลับมาว่างมันเดิมแต่ช่วงที่มันทิ้งความคิดแล้วกลับมาว่างเนี่ยเราไม่รู้จักจิตมันโ ล, งลงงง่งๆว่างๆผงๆอยูแต่เราไม่รู้จักพอเราไม่รู้จักถึงแม้นิพานมีอยู่เราก็เอานิพานมาใช้ไม่ได้เพราะเราไม่เห็นเพราะเราไม่รู้จักดังนั้นเรามาปฏิบัตินเนี่ยเพื่อไม่เห็นจิตเออจิตมันว่างเป็นแบบนี้นะให้รู้จักให้ดีเพราะจิตว่างมันเป็นแบบนี้มันใสมันไม่คิดมันรู้สึกมันอบอุ่นมันมั่นใจมันสบายมันเบา ให้จำอย่างนี้อาการอย่างนี้อาไว้เรื่องอาการของประมาทให้รู้จักชัดๆวันหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เมื่อไหร่นอกมันจะหมดชั่วโมงเมื่อไหร่นอกมันจะเลิกเมื่อไหร่คิดอยู่อย่างนั้นอ่ะกรทั้งที่จิตว่างมีอยู่แต่ว่าเรามองไม่เห็นโมไปคิดว่าเมื่อไหร่มันจะหมดเวลาจะได้พักจะได้ไปนอนจะได้ไปคิ่ไปโน่นอนะ่ะเลยไปกลบเรื่องจิตว่างเลยไม่เห็นเลยจิตมันว่างจากความคิด ในบางครั้งบางข่าวนั้นอะ่ะกูมันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ยิ่งเรามานั่งปฏิบัติอยู่กับความรู้สึกตัวในจิตว่างไปส่วนใหญ่มันว่างจากความคิดแต่ว่ามันเต็มด้วยอะไรด้วยสติสัมปชัญญะความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันเต็มแต่มันถ้าความรู้เนื้อรู้ตัวมันเต็มปัดความคิดที่ประกอบด้วยกิเลสท่านหาประานมันก็จะว่างทันทีเลยจิตเรียก ว, ว่าจิตว่างมันเป็นสิญญตาอยู่แล้วแต่เราไม่รู้จัก นั่นแหละเรามาปฏิบัติเพื่เพื่อให้รู้จักจิตชนิดนี้ว่ามีอยู่มากในวันหนึ่งอ่งพอเราเผลอเท่านั้นอะ่ะพอเราไม่รู้จักปั๊บพอเรารู้จักจิตว่างจิตไม่ว่างเรารู้ไหมระหว่างจิตว่างกับกับไม่ว่างเนี่ยอันไหนรู้ง่ายไหนรู้ยากจิตที่มีความคิดกับจิตไม่มีความคิดจิตที่มีความคิดกับจิตไม่มีความคิดอันไหนรู้ยากอันไหนรู้ง่ายจิตที่มีความคิดรู้ง่าย จิตที่ไม่มีความคิดอออเออน้าคิดจิตที่ไม่มีความคิดรู้ง่ายหเลยรู้ยากเพราะเราไม่เห็นจึงรู้ยากแต่ถ้าเราเห็นแล้วรู้จักมันแล้วรู้ง่ายและตลอดเวลาด้วยใช่ไหมแต่เราไม่เห็นมันเพราะฉะนั้นคําว่าได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้ดวงตาเห็นสภาวะนี้ว่าจิตมันว่างอยู่แล้วแต่พอเราไป การถูกกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจบางครั้งมันก็คิดบางครั้งก็ไม่คิดไม่ใช่ไปคิดทุกเรื่องบางเรื่องมันก็เห็นอยู่ได้ยินอยู่แต่ไม่คิดก็มีแต่ว่าเราไม่เห็นดังนั้นคาว่าได้ดวงตาเห็นธรรมคือม่เห็นว่าจิตมันมีความคิดหรือไม่คิดจิตมันชอบหรือไม่ชอบจิตมันชังหรือไม่ชังจิตไม่ชอบก็มีเป็นบางครั้งแต่จิตที่มันไม่มีความไม่ชอบเนี่ยมันมีเป็นส่วนใหญ่งงไห สะโทสังว่าจิตตังสะโทหั่มจิตตันติปะชานาติแล้วอีกคํานึงใช้ก็วีจะโทสังว่าจิตตังติปีวีจะโถสั่งจิตตันติปะชานาติจิตไม่มีความไม่มีโทสะก็แล้วให้จิตไม่มีโทสะจิตมีโทสะก็ให้รู้ว่าจิตมีโทสะเราวันนี้มีใครมีโทสะบางโกรธบางมีไหมแทบจะไม่มีเลยใช่ไหมมันไม่มีเหตุอะไรต้องโกรธแต่จิตมันว่างจากความโกรธมีเยอะไหมวันนี้เยอะมากมีแต่ทั้งวัน่ะ แต่เราไม่เห็นมันสมหังวาจิตตังสมหังจิตตันติปะัสชะจิตมีโมหะก็ให้รู้ว่าจิตโ ม, มหะจิตไม่มีโมหะวีตะโมหังวาจิตตังวีตตะโมหังจิตตันติปัสชะจิตไม่มีโมหะก็ให้รู้ว่าจิตไม่มีโมหะทีละสนามโมหะในรู้ละง่ายเลยรู้ยาก <m ix> มีโมหะ <m ix> เราอยู่กับโมหะก็เช่นคุยกันเพลิน อเล่นกันเพลินท <it> ําอันเพลินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละโมหะเข้าแล้วโมหะมาในรูปของความเพลินโทสะมาในรูปของความเผลอความคิดมาในรูปของความเผลอโมหะมาในรูปของความเพลินเพราะนั้นเราเพลินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพลินกับเรื่องเล่นเรื่องกินเรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องพูดเรื่องคุยเพลินกับสิ่งนั้นโมหะมันเข้าตอนนั้นโมหะมันเข้าตอนที่เราเพลินแต่พอว่างจากโมหะปั๊บเราก็ไปหาเรื่องคิด ก็ดูเหมือนว่าโมหะเนี่ยมันเข้าง่ายเราจึงมาสร้างตัวรู้ขึ้นมาเพื่อไปแก้โมหะนะตดูสร้างตัวรู้เพราะจิตรู้กายรู้ใจแต่เวลาโมหะก็เริ่มห่างไปช่วงไหนเราเริ่มลืมกายลืมใจเอาโมหะเข้ามาแทนที่ช่วงไหนเรารู้กายรู้ใจเอาโมหะห่างไปนี่เรามานั่งสร้างความรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจทั้งวันเนี่ยโมหะมันก็เข้ามาน้อยแต่มันจะเผลอเข้ามาตอนไหน ตอนพักกินข้าวพักอาบน้ำพักปฏิบัตินั่นนะมันได้เข้ามาตอนนั้นแ่ะตอนนั้นเ่ะเผือไปคุยกันนะใช่ไหมเราคุยกั น, ถ า, น, นถามนู่นถามนี่กระเพิรนไปละไอ้ที่ว่างมาทั้งวันนี่ลืมหมดเลย <c oughs> ลืมหมดเลย <c oughs> เห็นไหมเพราะฉะนั้นให้อย่างน้อยที่สุดมางานนี้นะให้รู้ว่าจากักให้รู้จักว่าจิตที่มันคิดเป็นอย่างไรจิตที่ไม่คิดเป็นอย่างไรแล้วเข้าไปดูจิตสองชนิดเนี่ย ให้ชัดๆแล้วเราจะรู้ว่าในชีวิตประจวันของเราเนี่ยถ้าเราดูอยู่เนี่ยเราแทบจะไม่มีทุกข์อะไรนะแต่ถ้าเราไม่ได้ดูเราเผลอตอนไหนมันทุกข์มันเข้าตอนนั้นเมื่อทุกข์เข้ามือเราก็จะเหมือนเรากรรมเกิดกรรมขึ้นมากรรมเราที่รู้สึกเป็นไงหนักใช่ไหมรู้สึกอุหนักเราทำไงก็รีบปล่อยปล่อยความคิดทิ้งความคิดทันทีแล้วกลับมาอยู่ที่จิตที่ไม่มีความคิดไง่ายไหม ง่ายแต่ว่ากลับไปบ้านลืมหมดแหละเออฮอกลับไปบ้านลืมหมด <c oughs> แต่ขอให้ให้จำอาการนี้ไว้ว่าจิตไม่มีความคิดเป็นอย่างนี้โอ้ว่างๆโลง่ลงๆถ้าหากว่าเรายังไม่เข้าใจแล้วก็สัมผสัสอารมณ์ปรามัดไม่ได้ให้เราขยานันทําความรู้สึกตัวบ่อยๆเอาไว้เพื่อให้จิตมันคุ้นกับตัวรู้คุ้นกับสติสัมปชัญญะ เมื่อจิตคุ้นกับสติสัมยะจิตมันก็จะไปเอาสติสัมญะความรู้เนื้อรู้ตัวเป็นอารมณ์ตัวนั้นจิตว่างตลอดว่างจากความคิดแต่เมื่อเลยเผลอไม่รู้เนื้อรู้ตัวปั๊บความคิดเข้าก็ให้รู้ว่าออความคิดเข้ามาแล้วแล้วจัด ก, การเอาออกทันทีแล้วกลับมาว่างใหม่เพราะฉะนั้นตัวรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยจึงทําเยอะมากๆแล้วทําให้ชานานทําจนเขาว่ามันจําไม่ลืมอ่ะ ถ้ามันยังลืมๆจำๆอยู่เนี่ยโอกาสที่จะไปให้จิตมันว่างจากความคิดนั้นว่างจากโมหานั้นยากอยู่เพราะนั้นให้จำอาการจิตมันไม่มีความคิดไว้ไปสังเกตให้ดีเวลานั่งปฏิบัติจะไปนั่งทำๆๆโดยที่ไม่สังเกตสังกาอะไรว่าขณะจิตนั่งทำวะเนี่ยสังเกตจิตไปด้วยเป็นไงอาการจิตเอามาบอกให้โยมเอามือมาจับแขนตัวเอง รู้สึกยังไง ร, รู้สึกหนักแล้วก็แน่นแล้วก็อุ่นแล้วก็ร้อนเอาเอามือออกแล้วความรู้สึกนั้นยังอยู่ไหมบอกไม่อยู่แล้วมันหายไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันอ <c oughs> แล้วความรู้สึกนั้นมาจากที่มือหรือมาจากที่แขนเวลาไปจับว่าความรู้สึกมาจากมือหรือจากแขนดูให้ดีนะแขนนี่ถือจับอลองเอามือจับแขนดูจับรู้สึกใช่ไหม <c oughs> ยืดเลื่อนอ่อนแขนแข็ ง, ข ง, ขงตึงรู้สึกพอออกปับ๊บความรู้สึกนั้นหายไป ถามว่าความรู้สึกที่อุ่นๆร้นอนๆหนักๆเมื่อกี้มันมาจากไหนมาจากมือหรือมาจากสายไฟท่านสายเนี่ย ไ, ไปจับตรงไหนมันก็ดูทั้งนั้นนะะไม่ใช่จับตรงไหนฮะ <S 1> <S 1> ถ้าหากว่าสายไฟไม่มีไฟไปจับตรงไหนมันก็ไม่ดูใช่ไหมถ้าหากว่าสายไฟมันมีไฟไปจับตรงไหนมันก็ดูเหมือนกันร่างกายนี่มันยังมีไออุ่นมีวิญญาณอยู่จับตรงไหนมันก็รู้สึกทั้งนั้นแหละไออุ่นและวิญญาณเหมือนกระแสไฟในตัวเราพอเราจับปั๊บมันก็จะรู้สึกทันที เพราะฉะนั้นตัวไออุ่นท่านใช้คำว่าไออุ่นคือตัววิญญาณเนี่ยเขาเลือกเป็นตัวกายยะวิญญาณที่เราจับเนี่ยคือกายยะวิญญาณรู้สึกใช่ไหมรู้สึกที่กายทีนี้คําว่ามโนวิญญาณกายยะวิญญาณหรู้จับแล้วรู้สึกนี่เป็นกายวิญญาณจะคู่วิญญาณหลับตาลงไม่มีไม่มีวิญญาณแล้วพอลืมตาขึ้นจะคู่วิญญาณเกิดทันที่ตายเห็นจะคู่วิญญาณเกิดขณะนี้ไม่มีเสียงอะไร โสตวิญญาณไม่มีพอเสียงกระทบปั๊บรู้ว่าเป็นเสียงอะไรเสียงคลายเสียงอะไรปั๊บเป็นโสตวิญญาณเกิดเห็นไหมตัววิญญาณทั้งหกเนี่ยมันเกิดตอนที่มันกระทบเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่มีการกระทบปั๊บวิญญาณตัวนั้นก็จะดังนั้นให้วิญญาณเนี่ยทาหน้าที่ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไปพร้อมๆกันเพราะวิญญาณตัวนี้ถ้ามีสติเข้าไปมากับมันจะกลายเป็นญาณคือตัวรู้ แต่ถ้าขาดสติสัญญาเข้าไปย้ำกับวิญญาณตัวนี้มันก็จะกลายไปเป็นสังขารกลายเป็นความคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ออกมาแต่พอมีญาณคือตัวรู้คือสติสัญญาเข้าไปประกอบปับ๊บวิญญาณก็กลายเป็นญาณเพราะนั้นญาณมาจากคําว่าวิญญาณนั่นแหละแต่ทำไม จ, จึงเรียกว่าญาณทำไม จ, จึงเรียกวิญญาณเพราะเรียกเรียกวิญญาณเนี่ยมันเกิดด้วยอํานาจของขนันธ์ห้าเกิดด้วยอํานาจของอวิชชา ทะลุถึงวิญญาณพอมีสติสัญญาปับ๊บอวิชชาไม่มีมันก็วิญญาณก็เหลือแต่ญาณคือตัวรู้ล้วนๆแต่ถ้าหากว่าวิญญาณมันรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหกแต่ถ้าหากว่าเป็นญาณมันรู้ทางเดียวคือรู้ใจรู้กายรู้ใจเพราะเราจึงมาสร้างตัวสติสัญญ้เยอะๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาให้อวิชามันเข้าถ้าอาวิชชาเข้านี่การกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จะทําให้จิตปรุงแต่งไปตามนั้น อชอบหรือไม่ชอบแล้วแต่สิ่งที่มากระทบแต่พอมันมีตัวรู้ล้วนๆอะไรมากระทบก็รู้ทำหน้าที่รู้ชอบก็รู้ไม่ชอบก็รู้เฉยๆไม่เข้าไปในตัวชอบไม่ชอบนั้นแต่เห็นตัวชอบไม่ชอบเห็นตัวว่างไม่ว่างของจิตเกิดขึ้นตัวนี้เขาเรียกว่าตัวญาณจากขงอุทภาพิเหนญาณังอุทภาธิเริอ่อมเป็นตัวรู้ขึ้นมาพะมีสติแเกิดเป็นญาณังอุทภาพิพอมี สมาธิต่อหนึ่งสติสัญญาต่อหนึ่งเป็นสมาธิ ป, ปัญญาอุทภาพปฏิปัญญาเกิดขึ้นละอ่าพอปัญญาต่อหนึ่งก็ น, นิดวิชาเกิดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วพอ ว, วิชาเกิดเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเป็นอโลโกอุทภาพปฏิแสงสว่างเกิดขึ้นละเพราะนั้นเริ่มต้นจากตัวเนี้ยวิญญาณจักขู่วิญญาณพอมีสติสัมยะรูเนื้อรู้ตัวพับจักขู่กลายเปลี่ยนมาเป็นตัวรู้คือญาณจักสุนว่า เท่านั้นการที่เราเจริญสติสัมยะตรงเนี้ยใช้ให้เป็นใช้ให้เป็นคือใช้ตัวสติสัมยะเนี่ยไปสำรวจกายไปสำรวจจิตขณะนี้ว่ากายเราสบายหรือไม่สบายจิตสบายหรือไม่สบายจิตมันคิดอะไรหรือไม่คิดรู้อยู่แค่นี้แหละรู้กายรู้ใจรู้จิตอยู่เนี้ยรู้จนกระทั่งว่ารู้จักว่าอ๋อจิตมันไม่มีความคิดเป็นอย่างนี้เองเหนออ๋อจิตมันมีความคิดเป็นอย่างนี้เองหนอเราจะสลัดได้ง่าย แต่ถ้าว่าจิตมีความคิดก็ไม่รู้ไม่มีความคิดก็ไม่รู้เราไม่รู้จะสลัดอะไรเราไม่รู้จะกรรมอะไรเพราะว่าเราไม่ไม่เห็นไม่รู้เพราะเราไม่ได้ฝึกตัวรู้ตัวนี้ให้ชำนาญเพราะนั้นพอทำอย่างนี้ไม่เกินสามวันเจ็ดวันมันจะเข้าใจถ้าตั้งใจทำนะตั้งใจทาแล้วเข้าใจด้วยเข้าใจด้วยถ้าตั้งใจทาแต่ไม่เข้าใจมันก็ทาก็ได้แค่สมาธิสบายสบายใจพอ พอไม่ได้ทําปับ๊บมาอกลับไปคิดเหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันได้ทีดเดียวแต่ทําด้วยความเข้าใจว่าทําไปด้วยสํารวจไปด้วยใจขณะนี้เป็นยังไงลงมือทําใจคิดหรือไม่คิด <c oughs> กายสบายหรือไม่สบายไม่สบายปรับให้มันสบายจิดมันคิดปรับเอาความคิดออกไปถ้ามันไม่มีคิดก็ให้มารู้มารู้สึกตัวกับการเคลื่อนเนี้ยให้สติสัมยาลมันร <c oughs> ักษาอยู่เอาสติสัมยะเป็นอารมณ์เอาตัวรู้เป็นอารมณ์ มันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพรดังนั้นจุดประสงค์เป้าหมายในช่วงที่เรามาปฏิบัติเนี่ยหกเจ็ดวันเนี่ยถ้าไปเห็นจิตที่คิดไม่คิดชัดชัดแค่นี้ก็ถือว่าได้ผลละเพราะต่อไปเราจะแยกเป็นว่าอ๋อเราจะเลือกเป็นด้วยว่าถ้าจะเลือกได้นะจะเลือกให้จิตมันอยู่กับความคิดหรือความว่า ง, า ง, งความว่างคือความว่างมันแสนสบา ย, บายใช่ไหมใครบุญใครว่า อ่าขึ้นมาเราก็ทำจิตให้ว่างๆเอาไว้ไม่ต้องไปตอบสนองไม่ต้องไปจู้จี้ก็ไม่ใช่าสาคัญที่จิตอย่างเดียวมันก็จะต้องไปจากรูปจากนามก่อนนะถ้าเราไม่รู้จักรูปจากนามเราจะไปรู้จิตก็ไม่ได้เพราะมันแยกไม่ออกจังตอนแรกต้องแยกรูปแยกนามบอกก่อนว่าเออนี่ความรู้สึกเออนนี้เป็นกายนะอันนี้ความรู้สึกนะคนรู้สึกทางกาย แยกลูกคือแยกเออนี่ความคิดนะอันนี้ความรู้สึกตัวนะเมื่อสองสามสี่วันก่อนเราเรียนเรื่องนี้ใช่ไหมว่าอันนี้คือความรู้สึกตัวอันนี้ความคิดอความรู้สึกตัวก็คือตัวรู้ที่เรากําลังสร้างอยู่ใช่ไหมพอเผลอปับ๊บอ่ะมันคิดไปแล้วเอออันนี้ความคิดนะเราต้องกีดเลยสติเพื่อให้เห็นความความรู้สึกตัวก็เห็นความคิดว่ามันต่างกันพอเห็นสองอย่างนี้ชัดเจนปับ๊บพอมันรู้เรื่องจิตปับ๊บมันก็จะไปดูอ๋อ ความรู้สึกตัวนี้เองมันก็คือทำให้เกิดตัวรู้จักความคิดหรือไม่คิดไปเห็นจิตมันก็ไม่เห็นตลอดชีวิตแล้วก็หมุนเวีย น, ว, ยนว่ายใจเกิดอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็จะไม่เห็นเพราะฉะนั้นโชคดีที่สุดตรงที่ว่าเรามาศึกษาแล้วอย่างน้อยเรารู้ใจของเราเองว่าวันนี้ทุกหรือไม่ทุกวันนี้ว่างหรือไม่ว่างใจว่างกี่ กี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ใจไม่ว่างี่เปอร์เซ็นต์ไม่ว่างเพราะอะไรเราคิดเรื่องอะไรวันนี้เราไม่พอใจกับใครเราชอบใจกับใครมันคิดเรื่องนั้นนานเท่าไหร่ไม่คิดเรื่องนั้นนานเท่าไหร่ใจแล้วว่างนานเท่าไหร่มันก็จะเริ่มรู้ละเพราะคนที่ศึกษาเรื่องนี้มันก็จะเริ่มสำรวจใจตัวเองเป็นเนี่ยนะอันนี้สําหรับคนใส่ใจที่จะเรียนรู้นะแต่คนไม่ใส่ใจก็ก็เหมือนเดิมอะ่ะนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ากลับไปบ้านเนี่ยให้ไปหาเวลาทำ ตัวเนี้ยบ่อยๆแล้วมันค่อยชัดขึ้นชัดขึ้นสติญาค่อยชัดขึ้นเราค่อยมีการระวังสัมรวมจะไปไหนเรารู้จิรู้จักว่าจะหยิบอย่างไรจะนี้อย่างไงมันรู้จิศึกนถนอมถนอมรู้สึกตัวเสียด า, ายทำอะไรไปได้วยความรู้สึกมันจะเสียดายแล้วมันจะทําซ้ําลงไปอีกแล้วทํทาทําซ้ําลงไปใหม่ให้รู้สึกตัวอันไหนที่ลืมไปแล้วลืมไปเลยแล้วตั้งใจทําใหม่อันไหนลืมไปแล้วผ่านไปตั้งใจทําใหม่เพราะอการกระทํามีอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม อ่าทําการทํางานเดินเมื่อกี้เดินไปตั้งหลายก้าวไม่รู้สึกตัวถอยกลับมาเดินใหม่ <c oughs> ต้องเอาขาดานนั้นเลยนะต้องดัดสันดานโดยเองขนาดนั้นมื่อนั้นไม่ยอ ม, มกิเล่มันพาไปเรื่อยๆเอามาเคยฝึกขนาดนั้นนะสมัยเมื่อปีสองห้ามาอยู่ยิยวัดภาราอ่ากับอาจารย์พงศักดิ์ไปจำบันสาที่นั้นมีพระอยู่สององค์โอ้โหกุฏิตั้งหลายหลังสลาตั้งหลายหลังก็ต้องกวาดต้องเช็ดต้องถู ก็เหนื enfin ่อยแล้วเราก็โอ้โหวันหนึ่งมันเกิดอ่ะเราจะไปเหนื่อยเทาไมเทาเจริญสติกับการทํางานดูซิแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่ไปหาผ้าคลิ้วมาอยู่ที่ไหนเดินจูงกลมไปเอาแล้วรู้สึกตัวจากผ้าคลิ้วอ่าแต่พักเลี้ยงง่ายต่อไปรู้สึกตัวยืนขึ้นแล้วก๊อกน้ําอยู่ไหนเดินไปหาก๊อกน้ําเจริญสติไป ทำอยู่อย่างนี้จกนกรข้า่งถูพื้นสาระหลังนั้นเสร็จประมาณหนึ่งชั่วโมงเบาทั้งกายทั้งใจเลยทุกวันมันทำไปแล้วมันหนักมันเหนื่อยเพราะมันรีบรีบรี บ, รบทำให้เสร็จอะเรื่องรีบทำํำจนนี้เสร็จก็จะไปรีบทําตรงนั้นแล้วก็เหนื่อยแต่หลังจากที่เราตั้งใจทําทีละขณะทีละขณะขณะมันเกิดปีติโล่งเบาสบายตั้งแต่วันนั้นเปเรื่อมาแล้วก็ฝึกเจริญสติกับการทํางาน ไปบินทบทัตก็สนุกบินเทบทัตก็นับก้าวไปที่ดาวพ่ออยู่บนวัดาราด ท, ที่ห้วยแก้วที่เชียงใหม่อยู่บนเขาใช่ไหมก็ต้องเดินลงมาบินทบทัตในในมอชอเดินลงเขามาก็าเดินกลับขึ้นไปมันก็ทําทให้เราได้เจริญสติทุกอย่างก้าวนี้ถ้าหากเราอยู่กันหลายคนมันยากยากไงเพราะเรากําลังสํารวมดีๆใช่ไหมคนนั้นก็มาชวนพูดคนนี้ก็มาชวนคุยชว น, น, นก็มาชวนถามไปละตอนนี้ไปกับเพื่อนละมันไม่เป็นเอกเทศ ในชีวิตที่ที่บวชที่ไม่ปลีกเปลวในคขมะอย่างเนี้ยมันมีโอกาสที่จะศึกษาตัวเองได้เพราะเวลาน้อยนิดขนาดนี้มาถึงบอกว่าต้องเอาใจใส่ตัวเองต้องระมัดระวังให้มากในเมื่ออยู่ใกล้กันเนี่ยถ้าไม่จําเป็นเราจะไม่รบกวนกันนะตั้งใจจัดที่อยู่ปูที่นอนแต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้ําอย่างรู้สึกตัวมีอาจารย์หนึ่งเชื่ออาจารย์มันหยัดแก็บไปอาจารย์สอนอยู่ที่วิไลัยจันทร์เกษม ่ามหลาลัยศิลปกรที่อาจานย์เกษียมแกมาเป็นอ่ามันเป็นนักปฏิบัติ <c oughs> ปฏิบัติไปวิธีการหลวงพ่อเทียนเนี่ยแกก็เลยขอบวชพรรษาหนึ่งบวชพรรษาหนึ่งเพราะยังมันไม่มีเวลาที่จะทําได้อย่างต่อเนื่องพอบวชพรรษาหนึ่งวันหนึ่งแกบอกว่าไปอาบน้ําผมอาบน้ามาตลอดชีวิตผมไม่เหมือนกับการอาบน้ําวันนี้เลยแกบอกว่าใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงค่อยอาบ ไปค่อยอาน้ํารดตัวรู้สึกจะจับตรงไหนจะขัดจะสีตรงไหนรู้สึกไปทั่วจนกระทั่งการอาบน้ําจบแกเกิดปีติในห้องน้ําเข้าใจธรรมะเข้าใจรูปน้ําในห้องน้ํามันค่อยจับไปทีละขณะทีละขณะทีละขณะขยับไปเรื่อยๆสังเกตไปทําไปสังเกตไปโดยที่ไม่ให้มีอะไรรบกวนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจศึกษาเรื่องนี้จริงๆมันไม่ยากเลยนะแต่เนื่องจากว่าเรา ไม่เห็นความจำเป็นว่าจะต้องไปทำขนาดนั้นทำไมแต่เราทำเพื่อการศึกษาว่าทำอะไรด้วยมีสติทุกย่างก้าวทุกขณะทุกการการะทำเนี่ยมันจะเป็นยังไงลองทำบูซิ่สักสมงสองชั่วโ ม, มงต่อวันไม่ยกมือสร้างจังหวดแต่ตื่นเช้ามาแล้วเราเค่อยเช็ดถูถูบ้าน ก, ก็ได้ก็ได้แต่ว่าสำหรับทำสาหรับทาในรูปแบบนี้เพื่อเป็นการตอกย้าให้เรามาตั้งสติให้เข้มแข็งก่อน แต่พอเราไปลงงานปั๊บเนี่ยโอกาสมันเผลอเยอะไงใช่ไหมแต่ถ้าหากสติสติตัวหลักคือนามนั่งทาเนี่ยอันนี้เป็นการสต็อกกำลังของเรื่องเหมือนชาร์จแบตเตอรี่อ่ะใส่แบตเตอรี่ไว้แต่เวลาไปใช้ด้วยชาร์จด้วยนี่มันยากนะใช่ไหมตั้งใจชาร์จให้เต็มก่อนแล้วก็ไปใช้สองนนสองนิ่มก็จ่ายไปเลยแต่ถ้าบางคนเหมือนคนมีเงิน บางคนมีเงินแล้วก็จ่ายจ่ายจ่ายจหมดบางคนมีเงินแล้วก็เอาไปค้างลงทุนต่อใช่ไหมมันก็ได้กําไรกลับคืนมาคนอย่างนี้มีน้อยส่วนใหญ่เราได้เงินมาแล้วก็จ่ายหมดก็าหาใหม่ใช่ไหมแต่บางคนมันเอาไปลงทุนไปซื้อนัน่นซื้อ น, นี้ต่อเป็นทุนขึ้นมาเงินพันบาทมันกลายเป็นสองพันบาทสามพันบาทสี่พันบาทคนอย่างนี้ก็หายากเป็นนักพ่อค้านักธรุรกิจเงินต่อเงินเราเมื่อเกินเอาสตินี่ไปต่อสติได้ไงเวลาไปทํางานน่ะมันก็มีความรู้สึกตัวในการทําใช่ไหม ทำงานจะได้สติกลับขึ้นมาเป็นผลงานได้สัมผัสยะได้ปัญญาขึ้นมาทีนี้ขึ้นอยู่กับเราตั้งใจจะทําทหรือไม่ทําเท่า น, นั้นเองแต่ถ้าหาไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจกันขนาดนี้นะทําไปตลอดชีวิตมันก็ยากกันนะเพราะว่ามันถูกอะไรแย่งไปเยอะนะวั น, ว, นวันหนึ่งเรื่องนั้นบเรื่องนี้บ้างเพราะฉะนั้นช่วงหนึ่ง ใ, ในวิธีการของพ่อเทียนท่านจึงให้มีการเก็บอารมณ์สมมติว่าพวกเราปฏิบัติไปเจ็วัน อีกเดวันท่านก็ให้เก็บอารมณ์คือเข้าห้องของใครห้องมันเพราะนั้นที่ครู้สติที่เขาสร้างถวายตามายอยู่ที่ทุ่งคู่เนี่ยสร้างไว้อาคารห้าหลังเป็นผู้ชายหนึ่งหลังเป็นผู้หญิงแค่สีห่หลังหลังก็ประมาณยี่สิบห้องพอพอปฏิบัติเก็บสติไปสามสี่วันแล้วอังสี่วันหลังอามาก็แค่เข้าห้องหมดเลยเก็บตัวในห้องแล้วค่อยไปสอบอารมณ์ทีละคนละคนเอา แล้วพอที่อยู่คนเดียวเนี่ยมันทําได้ทําเต็มที่ใช่ไหมไม่มีใครมารบกวนก็มีห้องของใครของมันเพราะฉะนั้นถ้าโยมไปกรุงเทพโยมไปแวะดูศูนย์ตรงเนี้ยมาค่อยจัดที่นั่นทุกเดือนในช่วงของวันที่สิบถึงยี่สบของทุกเดือนที่นั้นที่ทุงนะทนะนะท่งครุนะบาคุนเทียนนะทุ่งครุมงคนพระรามสองนั่นนะมาที่นั่นทุกเดือนศูนย์คลุ้สติสถานไม่ใช่วัดเป็นศูนย์การเจริญสติโดยเฉพาะเลย พอเมื่อก่อนเนี่ยมาไปอบรมเขาอยู่ที่โรงเรียนลุ่งอรุณแต่ที่คนมันเยอะขึ้นเจ้าของโรงเรียนเขาเลยมาสร้างศูนย์ตรงนี้ อ, อยู่ของนลุ่ลงอรุณอาจารย์เราเป็นอธิการบดีเพราะว่าวนั่นเป็นสถาบันนะสถาบัน อ, อสุมสินดังนั้นเองปัจจุบันเนี่ยคนเริ่มเห็นความสําคัญเรื่องนี้มากขึ้นเพราะคนมันเครียดมันเครียดไม่มีทางออกมีทางเดียวคือจะต้องรวมกาย ร, รวมใจมาเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วค่อยทํางานทํางานมันก็จะผ่อนคลายใช่ไหมถ้าเมื่อใดเราขาดสติปั๊บมันเข้าไปอยู่ในความคิดเข้าอยู่ในความเครียด เมื่อมีสติปรับกายกับใจอยู่รวมกันมันผ่อนคลายไม่มีความคิดเข้ามาแทรกไม่มีความเครียดเข้ามาแทรกเพราะความเครียดก็เกิดจากความคิดเยอะๆนั่นแหละแต่พอไม่มีความคิดเข้ามามันก็ผ่อนคลายใช่ไหมก็ทํางานได้ทั้งวันที่มาพูดไปเมื่อวานว่าเด็กสองคนที่อยู่มหาลัยอิลลินอยนเะน่ยมันทํางานอยู่ในมหาลัยเด็กของเราที่มา ah ปฏิบัติกับเรานี่แหละพวกเด็กคูบาอาจารย์เรียนกันเครียดกันทั้งวันมันเรียนกันทุก ว, วันก็เครียดมันก็เห็นเด็กสองคนนี้ทางานเอล่าเรืองทั้งวัน ทำงานเยอะกว่าเพื่อได้ล่าเริงทั้งวันมันมีอะไรเด็กสองคนก็ระ น, นักไปถามถามไปถามมาว่ามาเจริญสติแบบเนี้ยูสอนฉันได้ไหมได้เอลเกไกมูลเป็นคู่แฝดเนาะมาปฏิบัติแบบนี้ก็ปรากฏว่าเที่ยวนี้แกฟาฝรั่งมาปฏิบัติด้วยกันที่มาอยู่ที่มหาชนุนี้หลายคนนะแล้วปีหน้าทําท่าว่าจะเปิดที่มหลาลัยที่อิลลินอยที่ชิคาโก้เนี่ยฝรั่งกลุ่มนี้นะที่มาเที่ยวเนี้ เพราะฉะนั้นทางยุโรปเรามีการเริ่มเห็นความสำคัญเรื่องนี้เพราะชีวิตมันเครียดอยู่ในการทำงานแบบเป็นตารางประจำวันเนี่ยดังนั้นก็จริงอยากจะให้พวกเราอย่าทิ้งเรื่องนี้ถ้าต่อไปพวกทางตะวันตกเขามีทุกข์มากเขาก็าจะมาเห็นพวกเราเอ๊ะคุณไม่เห็นมีความทุกข์เลยนะล่าเรืองเบิกวา น, าวน อ, า อ, าอา๋อก็หลวงพ่ อ, อทำอย่างนันหลายปีแล้ว ใช่ค่าเรียนแพงเธอเป็นส mm ีห้าหมื่นเขาเรียนครึ่งวันอีกครึ่งวันเขาให้นักเรียนทํางาน mm hmm. ที่นี่มาก็ไปเอาพระไปไว้ที่นั่นไปอบรมครูครูไปอบรมเรียนอีกทีหนึ่งแต่สําหรับมาก็มาทําที่ทุ่งครูสําหรับครูสําหรับผู้ปกครองทั่วไปมาทําที่นี่ดังนั้นเดี๋ยวนี้เขาก็สอนกันเยอะเลยทีเดียวก็จะริสติแบบเคลื่อนไหวเพราะว่าอะไรมันง่ายสําหรับทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งทําได้หมดแต่ถ้าเอาจับเด็กมานั่งนิ่งเนี่ย มันไม่เกินหนาทีแล้วนีมันขยุกขยึกขยุกยิกันไปไม่เป็นเรื่องแล้วทีเนี้มันนั่งน่าลหุหายใจแต่มาสร้างจังหวัดมันชอบเพราะมันได้เอ็กซ์ไซซ์ไปด้วยใช่ไหมทำกันเพิก่พ ก, พ ก, ก่อนก่อนที่เข้าห้องเรียนทํากันดังนั้นการมาเข้าปฏิบัติแต่ละครั้งเนี่ยอย่าให้กลับไปฟรีๆกลับไปแล้วต้อง ม, มีอะไรติดไม้ติดมือไปทําต่อที่บ้านโดยเฉพาะที่มันเน้นว่าให้ไปหาห้อง ของตัวเองที่ของตัวเองเนี่ยเฉพาะแล้วก็ลงมือทําวันละครึ่งชั่วโมงสิบนาทียี่สิบนาทีให้ได้ทุกวันแต่เวลาไปทํางานก็ เ, เอาไปใช้ด้วยลืม่มล้างถ้วยล้างชามจัดที่อยู่ภู้ที่นอนอาบน้ําอาบท่าจัดผ้าจัดเสื้อแล้วก็กําหนดไปถ้าไม่มีชั่วโมงเร่งด่วนรีบร้อนนะก็ทําไปสบายสบายแต่วันไหนมันรีบก็ต้องรีบอย่างมีสติเหมือนกันนะแต่ถ้ามันไม่รีบก็ค่อยๆทําไป มันจะเป็นการฝึกสติไปในตัวถ้าใครทำได้ก็จะก้าวหน้าเพราะนั้นเด็กสองคนที่ว่ามันก็มาปฏิบัติปีละครั้งอย่างพวกเราเนี่ยแต่ว่ามันเอาไปทําต่อเดี๋ยวนี้เขาเปิดที่บ้านเขาเป็นบ้านสติมาเอาเพื่อนๆมาปฏิบัติที่บ้านแล้วเชิญยูมสมพรจากราชเวกัสไปสอนที่บ้านเออทำกันขนาด น, นั้นเลยนะเอามาก็อยากจะให้พวกเราก้าวหน้ากันแบบนั้นนะเพราะมาแต่ละปีเนาะ มันมันไกลแล้วมันก็เสียเวลาเสียค่ารถค่าเรือกันก็อยากจะให้เกิดประโยชน์ว่าให้เราเอาไปทําจนกระทั่งว่าทํากันได้สอนกันได้แล้วเราก็จะช่วยกันได้ทีเนี้่พอปีต่อไปหลวงพ่อก็ไม่ต้องมาเราก็สอนกันเองทํากันเองใช่ไหมสนุกสะนานอใครก็ได้คนหนึ่งก็เรียกว่าช่วยกันนะเพราะต่างคนต่างปฏิบัติมาใช่ไหมก็ มีหลวงพ่ออาจารย์แดงของเราท่านเป็นประธานอยนู่ท่านก็พาทําอยู่แล้วคุ้ยทดสอบเก่งอารมณ์่ออ๋อไม่ไม่ได้สอนเก่งก็คุยกันเรื่องอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คุยเรื่องอื่นนะี่ยนะอ๋อไม่ถ้าหาเราไม่ไปทำมันมันก็หลงกันนะดังนั้นนะวันนี้สอบอารมณ์ในเรื่องของการไปดูระหว่างจิตที่คิดกับจิตที่ไม่คิดเป็นอย่างไรอันไหนมีมากกว่ากันเวลามันคิดอาการจิตเป็นอย่างไร เวลาอาการที่มันไม่คิดจิตมันเป็นอย่างไรมันหนักหรือมันเบาแล้วตัวสติปัญญาที่เรายกเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นตัวปัญญาและปัญญานี่จะไปเห็นอาการของจิตจิตมันนิ่งจิตมันเบาจิตมันสบายจิตมันโปร่งนั่นเป็นมรรคเป็นผลในตัวของมันอยู่แล้วมันเป็นปรมาจิตอยู่แล้วแต่เนื่องจากเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจถึงมีอยู่ก็เหมือนไม่มีเพราะเราไม่รู้จักใช่ไหมเหมือนเราไม่รู้จักทองคําอะนอนทับทองคําอยู่เราก็ใช้มันไม่เป็น่ แต่ถ้ารู้จักของค์เขาของมลทราบทั้งนั้นเลยเนี่ยนะเขามีค่าทั้งนั้นเลยเหมือนกันที่เรานอนทับสติสัมจัญญาอยู่ทุกวันทุกวันแต่ว่าเราไม่รู้จักมันมันก็ใช้มันไม่เป็นเหมือนกันดังนั้นในวันนี้เราเริ่มศึกษาเรื่องของสภาวะจิตที่มันไม่คิดเป็นอย่างไรสภาวะจิตที่มันไม่คิดเนี่ยมันเป็นตัว อุเปเเกรขาอยู่ในโดยธรรมชาติแล้วแต่ถ้าเราไปรู้จักมันไปเห็นมันไปเข้าใจมันได้เขาเริ่มเป็นอุเปกรขาสมพูดชงนะเป็นอุเปกรขาสมมตเห็นจิตว่างเห็นจิตเฉยเห็นจิตสงบเห็นจิตนิ่งเห็นจิตเย็นเห็นจิตสบายและปล่อยวางแล้วจิตของเราก็จะเริ่มเริ่มมีกาลังละแต่ทุกคนมีแต่ว่าไม่รู้จักอันนี้คือปัญหา เพื่อนั้ที่เรามาศึกษามาเดินโยกุมาสร้างจังหวะเพื่อให้เกิดปัญญาได้รู้จักได้รู้ได้เห็นสภาวะจิตตรงนี้เขาเรียกเห็นปรมัตดวันนี้เราเริ่มเรียนเรื่องนี้ในเรื่องปรมัดนะคือเห็นจิตที่มันคิดเป็นยังไงจิตไม่คิดเป็นยังไงสามสี่วันก่อนเราเรื่องเรียน ร, รูปนามว่าร่างกายที่มันหนักไปไงร่างกายที่เบาไปไงย็นแล้วอ่อนแข็งเข่งตึงไปไงเห็นอาการจิตที่มันคิดกับจิตที่มันรู้สึกต่างกันยังไง ความรู้สึกกับความคิดต่างกันยังไงอ๋อความรู้สึกจิตมันก็ว่าเวลามันคิดจิตมันก็ไปกลับมาที่ความรู้สึกอันนี้เป็นรูปนามแต่ณวันนี้เราเริ่มดูอาการของจิตว่ามันเวลามันไม่คิดอาการของจิตเป็นยังไงดูไปเรื่อยเรื่รู้ทั้งแต่ตื่นจนนอนนั่นแหละแล้วไม่จะเกิดทักษะเกิดความชํานาญต้องต้อ ง, องฝึกจริงๆรนะ โอเควันนี้สมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาสาธุที่เราได้ลงมือฝึกกันทั้งวันแล้วก็พยายามให้มันสํารวมระวังขึ้นเราสมมุติว่าเป็นการปิดวิาจาไปในตัวในวันต่อไปให้พูดน้อยลงน้อยลงเฝ้าดูใจมากขึ้นมากขึ้นเวลาเราเหลือน้อยลงน้อยลงเราก็จะได้อะไรไปชิตเป็นอ่านบ้างว่าเออจิตได้มาเที่ยวนี้ได้จิตที่มันโล่งมันว่างมันโปร่งนะฉันจะรักษาไว้นา น, าน โอจิตที่มันคิดมันอาการมันเป็นอย่างนี้นะฉันจะสลัดมันออกได้ทันทีแล้วก็ฝึกขยันฝึกพราะเห็นน่ะเห็นอันนี้ส์ว่าทำแล้วมันจิตมันสบายรู้จักจิตโล่งรู้จกิตว่างรู้จักจิตสงบรู้จักจิตเย็นรู้จักจิตที่มันเป็นนิพพานก็มีอยู่ทุกคนอยู่แล้วแต่เรามองไม่เห็นมันเท่านั้นเองขอให้พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจจนกระทั่งเกิดตัวปัญญาญาณและวิปัสสนาญาณด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิน